พุทธภาษิตประโยคหนึ่งซึ่งเราควรให้ความสนใจเป็นพุทธภาษิตซึ่งพวกเราคงเคยได้ยินผ่านหูมาหลายครั้งสาธยายนะที่หอไตรด้วยกันก็บ่อยนะพุทธภาษิตนั้นก็คือนะทำทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจ หรือว่าสำเร็จแล้วที่ใจเนี่ยข้อความนี้เนี่ยมันมีความหมายนะหลายแง่หลายมุมนะซึ่งถ้าเราเราลึกถึงอยู่เสมอแล้วเราเข้าใจอย่างแจ่มชัดเนี่ยมันก็จะช่วยในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นรวมทั้งในการเข้าใจตัวเองด้วยคำว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะที่ว่ามีใจเป็นใหญ่เนี่ย ทำณธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงทุกสิ่งกันนะยกตยัวอย่างเช่นการพูดดีนะการทําดีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนคนเราเนี่ยถ้าหากว่าใจมันเป็นอกุศลแล้วเนี่ยจะให้พูดดีทดําดีพูดเป็นกุศลทําเป็นกุศลก็ยากอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งซึ่งนะเราก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มีที่มา อยู่ที่ใจแต่ว่าความหมายเนี่ยมันมีมากกว่า น, นั้นนะยกตัวอย่างเช่นสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันก็อยู่ที่ใจนะสุขกายยังไงก็ไม่สำคัญทั้กับสุขใจเนีย่ยเราเคยได้ยินคำว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากคนที่ติดคุกอยู่ในที่ขับแคบแต่ว่าใจก็เป็นอิสระ เขาก็สามารถจะมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับสภาพที่ว่าได้ในทางตรงข้ามนะถ้าคนที่แม้จะอยู่ในบ้านหลังใหญ่นะเป็นครือหารแต่ว่าจิตใจมันเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นกดดันจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็แล้วแต่มันก็ยว่าทุกข์ทรมานมากนะคนที่ติดคุก แต่ว่าแจกก็เป็นศาลาเนี่ยไม่มีความพิดนะจากฆ่าตัวตายไม่มีความพิดที่จะทำร้ายตัวเองเอาหัวโคกศาลาเอาหัวโขกกาแพงหรือโคกเสาแต่คนที่แม่จะมีบ้านหรือคือหรหัสหลังใหญนะ่แต่ว่าจิตใจเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ความรู้สึกผิดหรือว่าความซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะทำร้ายตัวเองถึงขั้น ค่าตัวตายก็ได้นะคนที่หลายคนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงร่ำรวยนะมีรถหลายคันบ้านหลังใหญ่มีทุกอย่างในชีวิตนะแต่ว่าไม่สามารถจะหลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้าได้มันก็เหมือนกับว่าอยู่ในที่ที่ขับแคบหรือว่าอยู่ในถังน้ำนะซึ่ง หายใจไม่ค่อยได้อึดอัดคนนี้เขาคิดค่าตัวตายนั่นแหละเพราะว่ามันมันทรมานเหลือเกินอันนี้ก็เรียกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะมันแสดงว่านะความทุกข์เนี่ยทุกกายไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกใจต่างหากที่มันหนักนาสาหัสมากความป่วยความเจ็บเนี่ยป่วยกายไม่เท่าไหร่นะถ้าใจไม่ป่วยหลายคนที่เป็นมะเร็งหลายคนที่ เป็นโรคหัวใจหลายคนที่นะพิกลพิ ก, การนอนติดเตียงแต่ใจเขาไม่ป่วยเขาก็สามารถจะมีความสุขกับภาวะเช่นนั้นได้นะเป็นสุขตามอัตภาพบางทีสีหน้าอาจจะแจ่มใสด้วยซ้ำในทางตรงข้ามนะถ้ า, ากว่ากายไม่ป่วยแต่ใจป่วยนะอันนี้แย่เลย มันทนไม่ไหวมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะตายให้ได้กายป่วยก็ไม่เท่ากับใจป่วยนะหลายคนเนี่ยกายไม่เป็นอะไรแต่ใจป่วยแล้วเนี่ยมันก็พลอยทําให้กายพลอยป่วยไปด้วยมันมีคนที่ร่างกายไม่เป็นอะไรนะตรวจหาความผิดปกติทางกายไม่พบแต่ว่าเป็นโรคชัก ปวดหัวปวดท้องเรือ้อรังความดันสูงเป็นประจำบางคนก็ถึงขั้นพิการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือตาบอดในอังกฤษเนี่ยเขาพบว่าคนที่ไปหาหมอเนี่ยนะหนึ่งในสามเนี่ยป่วย ด, ด้วยอาการต่างๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นอาการทางกายทั้งนั้นแต่หาความผิดปกติทางกายไม่พบตาบอดแต่ว่าตัวดู กลไกต่างๆในร่างกายมันก็ปกตินะความดันสูงปวดหัวปวดท้องแต่หาความผิดปกติทางกายไม่พบนะเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะความทุกข์ทางใจนะความโกรธความแค้นความเจ็บปวดนะพอถูกกระทาย่ายีความสูญเสียพลัดพรากทำให้เศร้าโศกเสียใจพวกนี้ก็ ทำให้ป่วยกายพอป่วยกายแล้วก็แย่ yeah. อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยความสุขหรือความทุกเนี่ยนะใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะแม้ว่าจะยากจนนะแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่มันลําบากอยู่ในทะเลทรายนะอยที่ที่กันดาร น, นะแต่ว่าใจนี่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะมีศรัทธาในศาสนา เขาก็มีรอยยิ้มแย้มเบิกบานพวกที่อยู่ในเทะเลทรายเนี่ยพวกปุชแมนนะหรือพวกที่อยู่ในภูเขาสูงอย่างชาวทิเบตเนี่ยกันดานต้นมาชักต้นก็ไม่เห็นเพราะมันขึ้นไม่ได้มันที่สูงมากพวกนี้ยากจนนะแต่ว่าใจเขามีความสุขเพราะเขามีศรัทธา ศรัทธาในศาสนาเขาสวดมนต์ทำสมาธินยะก็สุขได้นะตรงข้ามคนที่อยู่ในเมืองนะร่ำรวยนะกายสะดวกกายสบายแต่ใจมันว่างเปล่าวิตกกังวลนะพวกนี้ก็ย่ำแย่ทีเดียวทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ก็อาจจะยังหมายรวมหมายถึงว่าเวลาเรานะ ให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาก็ตามเนี่ยมันไม่สำคัญที่รูปแบบมันไม่สำคัญที่ของที่ทถวายถวายเงินเป็นล้านนะแต่ว่าใจเนี่ยนะไม่ได้มุ่งจะสละไม่ได้มุ่งที่จะให้นะแต่คิดที่จะเอาเช่นสร้างภาพหรือว่าต้องการผลประโยชน์ต่อยอดเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าได้บุญน้อยนะ ตรงข้ามคนที่ยากจนมีแต่ข้าวเหนียวมีแต่ข้าวจีแต่ให้ด้วยศรัทธาไม่ได้คิดจะเอาอะไรเข้าตัวเลยอันนี้กลับได้บุญมากนะหรือแม้จะไม่มีอะไรให้นะแค่นุมโมทนาที่เพื่อนหรือที่คนอื่นเขาทําบุญนะเราไม่มีอะไรให้แต่เราก็นุมโมทนาสืมม่หมายกัว่าเราทําด้วยตัวเราเองอันนี้ก็ได้บุญมากนะ มากกว่าการให้เงินเป็นร้าน10ล้านแต่ว่าจิตใจไม่ได้มุ่งจะสละหรือจะให้บุญเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจนะศีลเนี่ยนะจะจะผิดศีลหรือไม่อยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาเหยียบมดเนี่ยถ้าไม่เจตนานะก็ไม่บาปนะพระอระหันต์เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยบางท่านท่พระจักกุบาลเนี่ยท่านตาบอดนะท่านประทับความเพียรจนตาบอด เวลาเดินเนี่ยนะเดินเหยียบมดพาก็ไปฟ้องพู้เจ้าวันเนี่ยพระจักกบาลผิดศีลนะตายไปหลายตัวผู้เจ้าตรัสว่าพระจักกรบาลนี่ท่านไม่ได้เจตนาเพราะตาบอดนะนการจะผิดศีลหรือไม่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจไม่ไม่ได้อยู่ที่การกระทำนะการกระทําอาจจะทําให้สัตว์บางตัวมันตายแต่ว่าใจไม่มีเจตนา อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าบาปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะของพุทธภาสิตที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ภาวนานก็เปนะ็นการนัเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะว่าจะต้องยกมือบางคนยกมือแต่ว่าใจลอยคิดน่นคิดนี่นะสู้คนที่นอนนะแต่ว่าดูใจนะรักษาใจไม่ให้ฟุ้งนะอย่างนี้เรียกว่าทำความเพียรเหมือนกันนะเวลาจิตเกิดอกุศล แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในท่านั่งหลับตาหรือยกมือแม้จะกำลังนอนอยู่นะแต่ว่าไม่ปล่อยให้อกุศลครอบงํเพอมีสติรู้ทันนะเวลากินข้าวอาบนา้าถูฟันก็มีสติทำความสึกตัวอยู่เสมออันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอาการปฏิบัติธรรมหรือภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะเป็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบ บางคนปติ review, ที่รูปแบบมากเห็นเห็นเพื่อนที่อยู่นั่งอยู่ข้างๆเขาไม่ยกมือเวลาฟังธรรมหรือเวลาอยู่บนหอใจก็ไปมองหรือไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยเธอไม่ปฏิบัติธรรมอุตส่ามาวัดไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดกับหลายคนนะซึ่งแสดงว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าก็อาจจะกำลังปฏิบัติอยู่ก็ได้เช่นมีสติการฟัง แล้วก็เวลาใจฟุ้งใจลอยก็รู้ทันดึงจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบัน่ขาอา จ, จะไมไ่ยกมือนะแต่ว่าสิ่งที่ก็าทำเนี่ยก็คือการเจริญสติหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันไปมองว่าเขาไม่ยกมือแล้วไปสรุปว่าเนี่ยเขาไม่ปฏิบัตินี่ก็แสดงว่าเจ้าตัวก็ไม่เข้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะไม่ได้ที่รูปแบบและคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ากําลังไม่ปฏิบัติอยู่ก็ได้เพราะว่าไปดูใจคนอื่นไปมองคนอื่น หรือมองดูใจตัวเองว่ากําลังมีอาการยกตนข่มท่านหรือเปล่าไปคอมเมนต์เขาไหมนะตัวเองยกมือแต่ว่าใจไปคอมเมนต์เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆว่านี่ไม่ปฏิบัติเกิดความหลงตัวว่าฉันกําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยยกมือแต่มีความรู้สึกแบบนี้นะอยู่ในใจก็ไม่เรีปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าไม่เห็นกิเลสหรือตัวทิฐิตัวมานาที่มันเกิดขึ้นหรือคลองใจอยู่ นะยกมือแต่ว่าไม่ดูใจตัวเองก็เรียกว่าไม่ได้ภาวนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาภาวนานเนี่ยหรือการรักษาศีลหรือการให้ทานเนี่ยรวมทั้งการเจริญไต่สิกขาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เนี่ยนะยังรวมหมายถึงว่าการรับรู้คนเราด้วยนะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจเนี่ยนะไอ้ตัวการสาคัญคือใจ ใจเนี่ยเช่นเจตนาหรือว่าความรู้สึกซึ่งอาจจะหมายถึงความอยากความโกรธความเกลียก็ได้สภาวะของใจคุณภาพของใจเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการรับรู้นะเมื่อจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายคนที่คนที่กำลังหิวโหยเนี่ยเวลาเขามองต้นไม้เนี่ยนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยสิ่งที่เขารับรู้มันจะต่างจาก คนที่เป็นช่างตัดไม้ก็ได้หรือว่าคนที่กำลังหาฟืนมองต้นไม้เดียวกันแต่ว่ามองเห็นไม่เหมือนกันคนที่กำลังหิวก็อาจจะมองไปที่ผลไม้นะที่กำลังที่กำลังห้อยแขวนอยู่นะในต้นไม้ส่วนคนที่เป็นคนตัดฟืนนะเาก็ ไม่ได้มองไปที่ผลไม้นะแต่เขามองไปที่ลำต้นโคนต้นว่ามันจะมันใหญ่หรือเล็กนะหรือมองไปที่กิ่งนะว่าจะอไปทำฟืนได้ไหมคนที่เป็นชาวไร่เนี่ยเขาก็มองอีกแบบหนึ่งนะนะเขาต้องการจะตัดต้นไม้เขาก็จะดูว่านะต้นไม้นี่นใหญ่หรือเล็กนะโคนต้นมันตัดได้ง่ายหรือยากนะคนที่กำลังมีความรักนะมองไปที่ต้นไม้ก็ จ, จะเห็นดอกไม้ อดอกไม้สวยนอยากจะเก็บไปให้แฟนเนี่ยมองต้นไม้ต้นเดียวกันนะแต่เห็นไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันต่างกันอันนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่านะสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณนะ เ, เราอาจจะเคยได้ฟังนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีว่าเนี่ย อวิชชาเนะีเป็นปัจจัยให้กับสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณปัจจัยในที่นี้มายถงปรุงแต่งสังขารในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ความอยากนะที่เกิดขึ้นในใจคนหิวเนี่ยเขาก็จะมองเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันแตกต่างจากคนที่ไม่หิว เ, เขามีการค้นพบว่าคนที่กำลังหิวน้ำเนี่ยเวลามองแก้วน้ำเนี่ย เขาจะเห็นแก้วน้ำเนี่ยใหญ่กว่าคนที่ไม่หิวน้ำนะเด็กที่กำลังหิวโหวยเนี่ยนะเวลาให้วาดรูปให้วาดรูปเหรียญ น, นะก็จะวาดรูปเหรียญเนี่ยใหญ่กว่าเด็กที่ไม่หิวนะเพราะอะไรเพราะว่า เ, เด็กหิวเนี่ยนะก็อยากกินอาหารนะและอาหารจะได้มาก็จากการที่มีเงินไปซื้อนั้นะเด็กเนี่ยก็จะ อยากได้เงินนะเพราะหิวก็จะวาดรูปก็จะวาดรูปเหรียญเนี่ยใหญ่กว่าอันนี้เป็นเรื่องการกระทำนะแต่ว่าการรับรู้เนี่ยอย่างที่บอกนะคนที่หิวน้ำเนี่ยนะก็จะเห็นแก้วน้ำเนี่ยใหญ่กว่าคนที่ไม่หิวน้ำนะทั้งที่ก็เป็นแก้วเดียวกันเราก็เคยสังเกตนะตัวเราเองก็ได้นะเวลาเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเช่นอาจจะกําลังคุยกับเพื่อนไอ้ตอนที่คุยกับเพื่อนเนี่ย แม้จะมีเสียงะระฆังมากระทบหูแต่เราก็ไม่ได้ยินการที่ไม่ได้ยินเนี่ยนะแปลว่าโสตะวิญญาณไม่เกิดเพราะตอนนั้นเนี่ยใจมันกำลังจดจ่อนะอยู่อาการพูดคุยบางทีมีอะไรผ่านหน้าแต่ไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นกำลังใจลอยนะตอนนั้นเนี่ยใจลอยกำลังกังวลถึงพ่อกำลังห่วงลูกอันนี้เรียกว่านะมันเกิดสังขาร ปรุงแต่งขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนเดินผ่านมาก็ไม่เห็นบางที่เป็นเพื่อนด้วยซ้ำท่านั้งที่ภาพนั้นเนี่ยมันมากระทบตาแล้วแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้อันนี้ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณไม่เกิดคุยกับเพื่อนแต่ว่าเสียงระอครังทําวัดไม่ได้ยินนะหรือว่าจะกำลังเช็คลายดูไลน์ดูข้อความเล่นเฟซบุ๊กนะ เสียงระฆังกระทบหูแต่ไม่ได้ยินเนี่ยงั้นจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจด้วยนะว่าตอนนั้นเนี่ยใจกําลังสนใจอะไรกําลังอยู่ในภาวะแบบไหนความสนใจคนเราเนี่ยนะจะรับรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสําคัญก็คเคยมีการทดลองนะเอาอาส า, าสมัครมาแล้วก็บอกว่าจะตรวจสุขภาพจะตรวจหามะเร็ง มะเร็งชนิดนี้เนี่ยสามารถจะตรวจได้โดยใช้น้ําลายนะเอาน้ําลายเนี่ยไปไปสัมผัสกับกับวัสดุบางอย่างเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าถ้าวัสดุนั้นเปลี่ยนสีแสดงว่าไม่เป็นอะไรอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าวัสดุเปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นมะเร็งนะอาจจะเป็นมะเร็งที่ซวงอกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนี่มันเป็นการทดลอง เขาเพบว่าคนที่ได้รับการบอกเล่าว่าถ้าไอแ้แถบแถบทดลองเนี่ยนะมันเป็นมันเปลี่ยนสีนะแสดงว่าปกติคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเอาน้ําลายไปไปสัมผัสกับไอ้แถบนี้เนี่ยนะเขาจะจ้องนานเลยเขาจะต้องนานมากกว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยเขาได้รับการบอกเล่าว่าเนี่ย ถ้าวัสดุมันเปลี่ยนสีแสดงว่าป่วยแสดงว่าเป็นมะเร็งไอ้กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นแถบสีเพราะนั่นเนี่ยมันจะเขาจะดูเขาจะดูแถบนั้นเนี่ยเพียงประเดียวประดาแต่ที่จริงแล้วแถบนี่นะมันก็ไม่เปลี่ยนสีอะไรนะมันไม่มีการเปลี่ยนสีแต่เขาคล้ายๆหลอกแล้วเขาเพราะว่าคนที่อยากจะอยากจะมีสุขภาพดีเนี่ยก็จะจ้องมองนะแถบสีนั้นนานถ้าจะรับการบอกเล่า ว, ว่า ถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่าไม่เป็นอะไรไคนที่ได้รับการบอกแล้วว่าถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่าป่วยเนี่ยก็จะดูแบบผ่า น, านไม่อยากเห็นไอ้ความไม่อยากเห็นในใจก็ทําให้ความสนใจที่จะดูการเปลี่ยนสีเนี่ย ม, มันน้อยให้ความสนใจคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความอยากความไม่อยากด้วยและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเวลาเรา เวลาเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยนะเราจะให้ความเราจะมีสมาธิกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษนะถ้าเราไม่สนใจเรื่องอะไรหรือเราไม่อยากได้ยินนะเราก็จะเหมือนกับว่าพยายามผลักไสเขาเคยการมีการทดลองอีกแบบหนึ่งนะให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นนิสัยเนี่ยเป็นประจำเนี่ยนะติดบุหรี่พูดง่ายให้ฟังคำบรรยายเกี่ยกับโทษของบุหรี่แล้วก็ มันเป็นเทปนะจากเครื่องเล่นเทปแล้วก็ในคำบรรยายนี่มันก็จะมีเสียงรบกวนซึ่งเสียงรบกวนนั้นเนี่ยเราสามารถจะหลีให้มันให้มันให้มันให้มันเบาลงได้เเพราะว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยนะเวลาฟังคำบรรยายนี่ก็จะไม่แตะนะจะไม่ลดเสียงรบกวนเลยเสียงรบกวนก็ดังไปฉันฉันไม่ทำอะไรกับมัน ตรงข้ามคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเขาอยากจะฟังมากเลยนะว่าไอ้เสียงว่าคำบรรยายเกี่ยวโทษบุหรี่มันเป็นยังไงบ้างงนั้นพอมีเสียงรบกวนก็พยายามลดพยายามรี่เสียงรบกวนนั้นให้มันเบาเพื่อเขาจะได้ได้ยินคําบรรยายถึงโทษของบุหรี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยเขาไม่อยากฟังนะไม่อยากฟังใครที่พูดถึงโทษของบุหรี่นะ เพราะนั้นถ้ามีเสียงรบกวนก็ให้มันรบกวนไปนะจันจะได้ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะตรงข้ามคนที่ไม่สูบบุหรี่เขาก็อยากจะฟังว่าการสูบบุหรี่มีโทษยังไงมีเสียงรบกวนก็พยายามที่จะลดเสียงรบกวนนั้นเพื่อฟังได้ชัดเจนมากขึ้นใจคนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่ชอบอะไรนะมันก็พยายามที่จะผลักไสปฏิเสธนะเวลาเราเวลาเรา ฟ, ฟังข่าวสารเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีการพูดถึงข้อดีหรือความดีของคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่ฟังเลยมันคล้ายๆว่าจิตเนี่ยมันการรับรู้เนี่ยมันจะมันจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะฟังแต่สิ่งที่เราชอบเราจะฟังแต่สิ่งที่มัน ยืนยันความเห็นของเราอะไรที่ไม่ชอบก็จะผลักไสนะให้เราสังเกตดูคนเราเนี่ยเราจะฟังนะเราจะได้ยินแต่สิ่งที่มันนะสอสดคล้องกับความเชื่อความเห็นของเรา <c oughs> เขาเคยทดลองนะเอาคนที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตเนี่ยเอามา มาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แต่และคนก็ได้รับข้อมูลว่าโทษอาหารชีวิตเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างมีข้อเสียอย่างไรบ้างคนทดลองเนี่ยคิดว่าถ้าคนสองกลุ่มเนี่ยเนี่ยซึ่งความเห็นตรงข้ามเนี่ยถ้าได้ฟังข้อมูลที่มันมีทั้งลบและบวกเนี่ยก็คงจะมีความเห็นเนี่ยใกล้เคียงกันคุยกันรู้เรื่องนะเพราะว่าได้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียปรกว่า หลังจากอ่านข้อมูลไปแล้วนะทั้ง2กลุ่มเนี่ยกับความเห็นตรงข้ามกันห่างกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตมันก็จะรับรู้หรืออ่านแต่เฉพาะข้อดีของโทษปรารชีวิตไอ้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโทษปรารชีวิตนะก็จะอ่านแต่เฉพาะข้อเสียของโทษปรารชีวิตไอ้ข้อดีเนี่ยไม่อ่านนะเพราะฉะนั้นความเห็นก็จะยิ่งแตกกันเป็นคนละขั้วมากขึ้น อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเราจะเราจะได้ยินเราจะรับรู้เนี่ยนะเฉพาะกับสิ่งที่มันยืนยันความเชื่อของเราเนะเวลาเราเกลียดใครนะเราก็จะเห็นในข้อเสียเงเขาอะเราไม่ค่อยเห็นข้อดีของเขาแต่เวลาเราชอบใครนะเราจะเห็นในข้อดีของเขาเนี่ยให้ข้อเสียเราก็พยายามไม่มองอันนี้เรียกว่าการรับรู้คนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะคนเราเนี่ยแม้แม้ว่าจะ เห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยแม้ว่าจะรับรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเข้าไปในใจเนี่ยมันมันแตกต่างกันจิตใจเรามันมีกลไกลบางอย่างที่มันผลักไสไม่อยากจะได้ยินได้ฟังได้รับรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับความคิดความเชื่ อ, องตัวหรือสิ่งที่ทาให้ใจไม่ไม่สบายเมื่อสัก 30- 40ปีก่อนนะมันมีมันมีชาวมเมนเนี่ย ที่อพยพหนีภัยนะจากรัฐบาลที่เป็นคอมมิวนิสต์นะรัฐบา ล, ลพพธนะรัฐบา ล, ลพนพธนี่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ก็ยึดครองประเทศ 3-4 ปีนะคนตายไปล้านสองล้านคนที่ตายนี่ก็เพราะถูกฆ่าก็มีนะฆ่านี่ก็ฆ่าแบบโหดร้ายใช้จอบฟาดหัวบางทีก็เอาฝังดินบางทีก็เอามีดปาดคอบางทีก็เอาไม้ตีตีจนตาย โหดร้ายมากนะก็เพราะว่าคนที่คนคอมเมนที่อพยพหนีภัยมาเมือ ง, งไทยเนี่ยมีจํานวนมากเลยนะที่ตาบอดตาตาบอดเนี่ยมากผิดปกติก็ก็สงสัยเป็นเพราะอะไรนะข้อสนนิษฐานเนี่ยคือว่าเสียใจเห็นคนเห็นคนรักตัวเองถูกฆ่าก็ร้องห h o ร้องไหน้นะจนตาบวมแล้วก็จนกระทั่งตามันบอดไปแต่หลายคนก็พบว่า ตานี่ไม่ไม่ผิดปกตินะแต่มันมองไม่เห็นก็สงสัยทำไมตาเนี่ยไม่ผิดปกตินะแต่ทำไมมองไม่เห็นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจนะใจมันทนไม่ได้ที่จะเห็นเห็นการทารุณการทรมานโดยเพราะคนรักจิตใจมันก็เลยสั่งให้ตาเนี่ยนะบอดซะเลยนะจะได้ไม่ต้องรับรู้ความจริงบางอย่างเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะมันต้องเจอนะเพราะว่า มันเกิดขึ้นกันคนรอบข้างจะหนีก็หนีไม่ได้นะใจมันก็เลยสั่งให้ให้ให้ตานี่บอดซะเลยจะได้ไม่ไม่ต้องไปรับรู้สิ่งที่มันอ่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในจิตใจอันนี้มันก็แสดงนะว่าจิตใจขงเราสำคัญมากเลยมันมีผลต่อกายมากนะอะไรก็ตามที่ฉันไม่อยากไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากได้ยินนะ ก็ถ้าตามไม่บอด ก, ก็บางทีก็เป็นลมไปเลยนะประเภทช็อกไปเลยนะเพราะว่าทนที่จะเห็นต่อไปไม่ได้แล้วไอ้เรื่องพวกนี้ เ, นเป็นสิ่งที่เรานะนะน่าจะรับรู้ไว้นะว่าการรับรู้หรือการกระทําคนเราเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ใจถ้าใจเรามีอคตินะหรือว่าใจเราเนี่ยมันมีสภาวะบางอย่างเช่นเป็นอกุศล โกรธเกลียดกลัวนะ growth, great, grow, นะมันก็จะไม่ใช่แค่ส่งผลต่อการกระทำของเราเท่านั้นแต่มันยังส่งผลต่อการรับรู้คนเราด้วยให้เราจะรับรู้เนี่ยเราไม่ได้รับรู้อย่างที่ตรงกับความเป็นจริงนะเสมอไปนะส่วนใหญ่สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหรอกแต่มันตรงกับความต้องการของเรามันสอดคล้ อ, องกับความต้องการของเรา หรือว่ามันถูกปรุงแต่งนะด้วยอารมณ์นะในจิตใจของเราคนที่จิตใจสบายนะตอนเช้าก็จะรู้สึกอากาศมันแจ่มใสามากคนที่จิตใจหมุนหมอนวิตกกังวลเนี่ยจะรู้สึกว่าอากาศตอนเช้านี่ทำไมมันมองๆมงุมนๆแบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเดียวกันแต่เราเห็นต่างกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเหตุผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ยิ่งจิตเนี่ยมีอวิชชานะ จิตมีอวิชชาเช่นจิตมีความคิดความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนเวลามองเห็นอะไรเนี่ยมันก็มองเห็นทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนไปหมดจิตของคนที่มีวิชาแล้วเน่เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยก็จะมองเห็นโลกเนี่ยมันต่างจากคนทั่วไปมากอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเหตุผลนึงนะทาไม ทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจา้าจะเน้นอยู่เสมอนะว่าให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหลายคนคิดว่าก็เห็นอยู่แล้วตามความเป็นจริงอ่ะที่จริงไม่หรอกไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเกือบตลอดเวลาไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแต่เห็นตามสภาวะอารมณ์นะในแต่ละขณะแต่ละขณะนะหรือว่าเห็นตามสิ่งที่ใจมันอยากจะเห็น เพรา้น e, เราจะเห็นเสีเ tại tại ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันอคตินะหรืออารมณ์ที่มันมันเกาะกลุ่มใจด้วยไอ้พวกนี้มันเหมือนกับแว่นนะเราคิดว่าเรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่ว่าจริงๆแล้ว เ, นะเราใส่แว่นนะแว่นบางคนก็บางครั้งก็เป็นสีเขียวบางครั้งก็เป็นสีเหลืองบางครั้งก็เป็นสีแดงบางครั้งก็เป็นสีดําสีคล้ําเราไม่ได้เห็นเสี่งต่างๆนะด้วยตาเปล่านะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเราเห็น สิ่งต่างๆผ่านแว่นนะแล้วแว่นเนี่ยมันก็มีสีต่างๆกันแล้วแต่สภาวะอารมณ์จําเป็นมากนะที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะถ้าเราเห็นสีต่างๆตามความเป็นจริงไม่หล่ะเราก็จะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ว่าโอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ที่เราเห็นไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันยังมีความยึดความอยากอยากจะให้เที่ยงอยากให้เป็นสุขนะเห็นสิ่งต่างเป็นตัวเป็นตนด้วยอํานาจของอวิชชา แต่ว่าเราก็สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้นะเริ่มจากการที่เราพยายามฝึกสติสติเนี่ยนะมันเป็นตาในนะที่ทำให้เราเห็นตอนแ ร, แรกเนี่ย จ, จะไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆภายนอกนะแต่สิ่งแต่ว่าสติมันทำให้เราเห็นกายและใจเนี่ยตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีสติมาหมั่นม า, ม า, มาดูกายดูใจเสมอเนี่ยนะมันจะเริ่มเห็นนะ เห็นกายและใจตามความเป็นจริงแต่ก่อนเห็นว่ากายนี้เป็นกูนะเป็นของกูเห็นใจนี่เป็นเป็นตัวกูหรือบางทีไม่เห็นกายไม่เห็นใจเลยเห็นแต่ตัวกูล้วนๆนะเป็นดุนๆแต่พอเจริญสติมันก็เลยเห็นแล้วอ๋อไอ้ที่เดินนี่มันเป็นรูปนะมันไม่ใช่กูเดินมันเป็นรูปเดินอ๋อที่คิดนี่มันเป็นใจคิดนะมันไม่ใช่เราคิดนี่เริ่มเห็นความเป็นจริงแล้ว แลถ้ามีสติไวมันก็จะเริ่มเห็นอคตินะที่มันอยู่ในใจนะเห็นความกลัวเห็นความอยากเห็นความโลภ ก, การที่เราจะเห็นอคติที่อยู่ในใจนี่มันไม่ใช่ง่ายนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติไบ่อยเนี่ยนะมันจะเห็นความกลัวนะเช่นตอนที่ไปดูแถบนะแถบที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีก็แสดงว่าเราป่วยเป็นมะเร็ง ถ้าเราไม่มีสตินะไม่เห็นหรอกนะว่าตอนนั้นใจเนี่ยมั <at> ยนไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นสีไม่อยากจะเห็นการเปลี่ยนสีเพราะถ้าสีมันเปลี่ยนแสดงว่าเราป่วยเป็นมะเร็งมันกลัวเนี่ยไม่อยากจะมองเห็นแต่ถ้าเรา ม, มีสติสติเราก็จะเห็นนะใจที่มันกลัวเราจะเห็นใจที่มันกลัวนะทำให้ไม่อยากจะมองแถบสีพอเราเห็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจนะความกลัวก็หายไปแล้วเราก็พบว่าอ จริงๆแล้วนี่เนะเราก็สามารถจะมองเห็นสิ่งที่มันเราไม่อยากจะมองได้เรากลัวไม่อยากเห็นนะแต่พอเราไม่มีความกลัวเราก็สามารถจะมองด้วยความด้วยสายตาที่เป็นกลางนะถ้าเรามองด้วยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็าอาจจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะ ไอ้ความอยากของเราที่อยากจะให้มันเปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่าเราปกติเราไม่เป็นอะไรเราไม่เป็นมะเร็งไอ้ตัวนี้เนี่ยนะเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความอยากจะเห็นมันไม่ได้เปลี่ยนสีสักหน่อยแต่ก็ยังอยากจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีบางคนก็เห็นมันเปลี่ยนสีจริงๆนะสำหรับคนที่เร่าการบอกเล่าว่าถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่าไม่ป่วยเนี่ยมันก็พานจะเห็น ว่ามันมีสีเ ป, เปลี่ยนอันนี้เพราะว่าใจมันอยากจะเห็นเพราะว่าใจเนี่ยมันอยากจะรับการยืนยันว่าฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นมะเร็งแต่พอมีสติรู้ความอยากก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเดิมไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรนะและที่จริงเนี่ยการทดลองเนี่ยคนทดลองนี่เขาก็แค่หลอกนะหลอกอาสาสมัค ร, รเพราะที่จริงเนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนสีได้เลยเพราะว่า มันเป็นมันเป็นมันเป็นกระดาษปกตินะมันไม่ใช่ว่าถ้าเจอเจอน้ําลายแล้วมันจะเปลี่ยนสีถ้าหาว่าคนที่เป็นเจ้าของน้ําลายนี่นะปกติดีเขาหลอกมันไม่มีทางเปลี่ยนสีนะแต่คนที่อยากจะเห็นตัวเองสุขภาพดีก็จะเห็นสีมันเปลี่ยนนะอันนี้เรียกว่ามันหลอกตามันหลอกเราถูกตาหลอกเราถูกหูหลอกเราถูกจมูกมันหลอกเนี่ย เพราะแะเพราะใจเพราะเราไม่รู้ทันใจของเราให้กลับมามีสติรู้นะรู้ทันใจของเรามันก็ทาให้เราเนี่ยมองเห็นเสียงต่างนะตามความเป็นจริงมากขึ้นเริ่มจากการเห็นกายและใจตามความเป็นจริงต่อไปมันก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นส่วนของการปฏิบัตินะที่สำคัญมากคํานที้ก็พูดเท่านี้กรับฮะ